ยาซีเรียสเรื่องว่าง่าย <S <S 2> <S 2> เปิดเทอมแล้ววันนี้เลยขอพาไปเที่ยวโรงเรียนแพทย์ อาจารย์เริ่มชั่วโมงแรกของการสอนด้วยการพานักศึกษาใหม่เข้าห้องทดลองในมือของอาจารย์ถือแก้วใสใบหนึ่งมีน้ำสีเหลืองค่อนแก้วนี่เป็นน้ำปัสสาวะคนที่จะเป็นหมอต้องมีใจกล้าและละเอียดถี่ถ้วนอาจารย์เริ่มอธิบายต่อไปนี้ขอให้ทุกคนทำตามอาจารย์แหย่นิ้วลงไปในถ้วย แล้วยื่นนิ้วใส่ปากจากนั้นใช้ลิ้นเลียดูนักศึกษาใหม่ทำหน้าเยเกอหันไปมองกันเลิกลักชั่วโมงแรกก็เอากันอย่างนี้เชียวเหรอหลายคนนึกในใจแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรก็เห็นอาจารย์แย่นิ้วมือขวาลงไปในถ้วยปัสสาวะไม่ใช่แย่เฉยๆยังกวนน้ำจนหมุนติ้วแล้วชักนิ้วออกมา ยื่นนิ้วเข้าปากดูดดังจวบอุ๊ยนักศึกษาครางกันเป็นแถวแต่ทำไงได้หนไหนอาจารย์ก็ลงทุนทำเป็นตัวอย่างแล้วลองทำตามอาจารย์ดูยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วดังนั้นทุกคนจึงพากันแย่นิ้วลงไปในถ้วยปัสสาวะแล้วใส่ปากเลียอย่างผะอืดพะอมเมื่อทำเสร็จสับแล้ว อาจารย์ก็พูดพลางยิ้มแย้มว่าพวกเธอนี่โ ง, ง่จริงๆอาจารย์บอกให้เธอใจกล้าและท้่นทีทำไมไม่มีใครสังเกตว่าอาจารย์แย่นิ้วชี้ลงไปในถ้วยปัสสาวะแต่ยื่นนิ้วกลางเข้าปากไม่ได้เลียนนิ้วชี้สักหน่อยการเชื่อฟังอาจารย์นั้นเป็นของดีแต่เชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องมีสติและปัญญาประกอบด้วย ปัญหาก็คือการเชื่อฟังหรือศรัทธานั้นบางครั้งก็เป็นตัวบดบังปัญญาเพราะพอวางใจเสียแล้วก็เลยไม่ยอมใช้ความคิดขณะเดียวกันก็ย่อนความสังเกตจนบางทีกลายเป็นคนเผลอเรือสิ่งที่ควรเห็นก็เลยไม่เห็นกลายเป็นว่าทั้งตาในและตาเนื้อ ก็พลอยถูกบดบังไปด้วยเพราะศรัทธาตัวเดียวสภาวะอย่างนี้แหละที่ทําให้ใครต่อใครถูกหลอกเพราะไปหลงเชื่อคนที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์เมื่อฝากจิตฝากใจให้เขาหมดเขาจะเล่นกลอย่างไรก็ไม่เคยเห็นพิรุษสักอย่างทางั้งๆที่สามารถจับผิดได้มากมายหากรู้จักสังเกตมีสติตื่นตัวและคิดเป็น เป็นเพราะการเชื่อฟังอาจารย์มีจุดอ่อนดังว่าในการลามสูตรพระพุทธองค์จึงสอนว่าอย่าปรงใจเชื่อเพียงเพราะท่านผู้นั้นเป็นครูของเราต่อเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาจนแลเห็นตนเองว่าถูกต้องมีประโยชน์จึงค่อยทำตามท่านอาจารย์ที่ดีจะไม่สบายใจเลย หากเห็นสิทธิ์เชื่อตนเองอย่างเชื่องเชื่องท่านจะคอยกระตุกสิทธิ์ให้เห็นโทษของการหลงเชื่อแบบนั้นเพื่อจะได้รู้จักใช้หัวคิดของตัวเองและมีสติตื่นตัวฝ่สังเกตเหมือนกับที่อาจารย์หมอเรื่องนี้สอนสิทธิ์ชนิดเห็นกันจังๆสอนแบบนี้แหละถึงจะฟังเข้าไปในหัว แทนที่จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา